ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นสตตะปัพาปุพาสิกขาและปุภาสิกขาวันนาพระอมาราธิรติตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารจนาต่อไปจะเป็นนิสกยาปยิตีในปัตตวัคที่สามกดับด้วยสิกขาบทสิทธิปัตตสิกขาบทที่หนึ่งความว่าบาเป็นอติเรก คือยังไม่ได้อธิษฐานยังไม่ได้วิกัปติ๊กตูพึงเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อปิกสูนั้นเก็บบาสนั้นไว้ให้เกินสิบวันไปไม่อธิษฐานและวิกัปเสียอารุณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาบาสนั้นเป็นนิสสคีต้องอาบัตปาจิตตีบาสนี้สองอย่างที่ใช้ได้นี่นะคือบาดินกับบาตรเหล็กกรอบด้วยประมาณเป็นสมณะสารูปแล้วจึงควรอธิษฐานและวิกัป ประมาณบาทและอดิฐานวิกัปจักกล่าวข้างหน้าและวินิจฉัยนอกนั้นเหมือนปฐมกฐินสิกขาบทเป็นอะไรปฐมกฐินสิกขาบทกายวาจาและก็กายวาจาจิตเป็นอาคีริยานโนสัญญาวิโมกอาจิตตกาปัณณติวัชชะกายกรรมวิจีกามีจิตสามมีเวทนาสามเหมือนกันส่วนข้อที่สองโอนปัญจพันธนะสิกขาบทที่สองความว่า บาดแตกคร้าวยาวสองนิ้วชื่อว่ามีที่ผูกแขนหนึ่งพิกตุใดมีบาดมีที่ผูกยังไม่ครบห้าแห่งและขอบาดใหม่อื่นแต่คนที่ไม่ได้ภา ร, รณาหรือไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นคนภา ร, รณาบาดนั้นที่ได้มาเป็นนิสขีต้องฝ่ายจิตตีพิกตู น, นั้นพึงเอาบาดนั้นเสียสดะในท่ามกลางสงอย่างเดียวสงทั้งปวงพิงถือเอาบาดของตนของตนไปสู่ที่ประชุม แล้วสมมุติภิกตูผู้พร้อมด้วยองค์ห้าขึ้นเป็นผู้เปลี่ยนบาทรภิกตูผู้ได้สมมุตินั้นพึงเอาบาต ท, ที่เสียสระนั้นถวายแก่พระมหาเถระเอาบาตของพระมหาเถระถวายแก่พระอนุเถระเปลี่ยนดังนี้ตามลำดับลงไปจนถึงภิกตูผู้เป็นสังฆนวกะนั้นผู้ที่นั่งที่สุดอาสนะแล้วเอาบาตของภิกตุผู้เป็นสังฆนวกะนั้นให้แก่ภิกตูผู้ตละบาทนั้นแล้ว กำชัดว่านี้แลบาทของท่านท่านจงบริโภคกว่าจะแตกเถิดอย่าสนะทิ้งเสียอย่าให้ผู้อื่นเสียปฏิบัติอย่างนี้แลเป็นความชอบยิ่งในบาทนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบาทอย่างไม่ครบห้าแห่งที่จะต้องผูกห้าใจบาทอื่นใหม่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนารถจะขอมาก็ต้องมีศีะในทางสังสงต่อไปสกาบทข้อที่สามเพศชัดสิกขาบท เศสัชห้าอย่างคือสับปีในสายนวมี ต, งนนตังเนยข้นเตลังน้ํามันหมูเป็นต้นมะทุน้าผึ้งผาดีตางก็น้าอ้อยเป็นยานะแก้โรคผอมเหลืองหรือว่าฉันอาหารไม่ได้ถ้าน้าอ้อยนีถจะไม่ป่วยต้องละลายน้ําฉันถ้าป่วยก็เคี้ยวได้เลยจะเป็นน้ำอ้อยงบไม่เป็นไข้ก็ดีจะพึงบริโภคได้ในการทั้งปวงแต่ว่าต้องมีเหตุหน่อย เพยัดทั้งหานี้พิกจูตรับประเคแล้วพึงสั่งสมเก็บไว้ฉันเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกจุไว้เพยตัดนั้นให้เกินเจ็ดวันอรุณที่แปดขึ้นมาเป็นนิสกีต้องอบัตไปจิตตีนับตามเพยตัดนั้นถ้าเก็บไว้ในถชนะอันเดียวเนื่องกันก็เป็นอบัตตัวเดียวถ้าไม่เนื่องกันก็เป็นอบัติตามวัตถุนั้นในข้อ น, นี้จะกล่าวพิจารณาเบื้องหน้า ยาทั้งห้าอย่างนี้เป็นนิตขีเสียสละแล้วได้กลับคืนมาจะบริโภคในกายมีการทาแผลเป็นต้นหรือว่ากลื่นกินไม่ควรพึงน้อมเข้าไปในประทีปและผสมขะเมาทาในที่ที่มือและกายจะไม่พึงถูกต้องทพี้กตัอื่นไม่ใช่เจ้าของจะบริโภคทากายควรอยู่จะกลืนกินไม่ควรยาทั้งห้าอย่างนี้ สิ่งใดพิษถูกเสียสละให้อนุสบันดาลขาดแล้วในภายในเจ็ดวันได้กลับคืนมาอีกจะเกลื่อนกินก็ควรต้องสละกรอนเจ็ดวันอย่าทั้งห้าอย่างนี้พิษถูกรับประเคนโวยคิดจะเกลื่อนกินแล้วไว้ให้เกินเจ็ดวันไปจึงเป็นนิสกีถ้าไม่คิดจะเกลือนกินจะเอาไว้ทาแผลเป็นต้นถึงล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นนิสกีมีนิจฉัยนอกนั้นทั้งองค์และสมุทรานก็ให้รู้เหมือนกับ ปฐมกฐินก็คือมีลุทฐานสองเหมือนกันกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาคิดอย่างหนึ่งเป็นอกิริยาก็คือไม่สละแล้วก็โนสัญญาวิโมกข์อจิตกะปันติวชัชชะกายกรรมวิชีกรรมจิตตาเวทนาสาเหมือนกันในวัส ส, สิกาสากิการศิคาบทที่สี่ความว่าแต่แรนงขํามหนึ่งเดือนเจ็ดจนถึงเพนเดือนแปดสองตัดนี้ ชื่อว่าเป็นเดือนหนึ่งปลายฤดูร้อนเป็นเขตที่จะสแสวงหาผ้าวัสิกะสาธิกะชีวรภาพน้ำฝ น, นให้พิตุพึงสแสวงหาคือเตือนสติในทายกที่เคยให้มาแต่ก่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นการแห่งผ้าวัสิกะสาธิกะแล้วตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดจนถึงวันเพนเป็นกึ่งเดือนแห่งปลายฤดูร้อน เป็นเขตที่จะทําผ้าอาบน้ําฝนที่สแสวงหาได้มาแล้วนั้นและเป็นเขตที่จะนุ่งห่มด้วยแต่ยังไม่เป็นเขตที่จะอธิษฐานตอนแต่แรมขํามหนึ่งเดือนแปดไปจนสิน้นฤดูฝนจึงเป็นเขตที่จะอธิษฐานก็นแลยังไม่ถึงปลายฤดูร้อนเดือนหนึ่งพิสุ ด, ดวนสแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนเสียก่อนได้มาผ้านั้นเป็นนิสสกีต้องปาจิตตีสมัยนี้ก็ ไม่ค่อไอฐานกันนะนะไอฐานเป็นผ้าบริการโจรหมดก็เลยไม่ได้รับสารสิกขาบทข้อนี้ต่อไปในจีวราฉินตะนะสิกขาบทที่ห้าความว่าพิสุใดให้เองซึ่งจีวรควรวิกับเป็นปัดฉินประมาณก็คือยาแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วของพุทธคดเนี่ยนะแกพิสุอื่นเองแล้วด้วยหวังจะให้เธอทำการขวนขวายอุปถ า, าเป็นต้นแกตน และภายหลังเห็นเธอนั้นไม่ทําการนขนไถ่แก่ตนแล้วกลับชิงเอาเองด้วยสําคัญว่าเป็นของของตนเป็นนิสักิียะปาจิตตีนับตามวัตถุใช้ให้ผู้อื่นชิงเอาเป็นทุกกฎด้วยบังคับผู้อื่นชิงเอามาได้ก็เป็นนิสักขยะปาจิตตีเหมือนกันนับตามคําบังคับนั้นๆในอุปสมบันิเป็นติกะปาจิตตีในอนุสัมบัติผู้จะให้นั้นสําคัญว่า อุปสมบันิก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีหรือว่ารู้ว่าเป็นอนุสัมบันิก็ดีแล้วให้ผ้าและบริการอื่นแล้วชิงเอาก็ดีหรือให้บริการอื่นแก่อุปสัมบัติแล้วชิงเอาก็ดีอย่างนี้เป็นทุกกฎผู้ที่ได้ไปยินดีหรือโกรธแล้วคืนให้เองก็ดีหรือถือเอาด้วยวิสาสะในผู้ที่ได้ไปก็ดีติ๊คตุบ้าเป็นต้นก็ดีเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติสละให้ขาดแล้วกลับชิงคืนเอามา ให้วิเนทอจับตามราคาของแต่ว่าถ้าสําคัญว่าเป็นของตนอันนี้ก็ต้องอบัับในข้อนี้คือไม่ต้องอบับดับฝาระชิกหรือวัตถุละใจต้องอบับดับปฏิทีแต่ถ้าเกิดสละเสจขาดแล้วก็รู้ว่าเป็นของคนอื่นแล้วก็อยไปชิงเอามาก็อบดับพัทินาทานสิขาบทข้อนี้เป็นสารนิติกะนะใช้คนอื่นเข้าไปชิงเอามาก็เป็นอบัติด้วยมีองค์ห้าก็คือผ้ากว้างยาวควรวิกลับเป็นอย่างต่ำข้อนึง ถ้านั้นทิฏฐุให้เองแล้วอย่างหนึง่งแล้วก็อีกข้อหนึง่งสำคัญอยู่ว่าเป็นของของตัวข้อที่สี่คือผู้ที่ได้ไปเป็นอุปสมบันิทิฏุข้อที่ห้าชิงเอาเองหรือว่าให้ผู้อื่นชิงเอาด้วยความกโกรธพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นนิักทีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาฐานสิกขาบทแต่ยกเวทนาในสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนา ทีกำหขันนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่ว่าอาทินาทานสมุทฐานนั้นกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสจิติกะเป็นสัญญาวิโมกแล้วก็เกิดจากการกระทำกิริยาเป็นโลกวัชชะอกุศลจิตเวทนาสามเลยแต่ว่าในที่นี้ข้อทิงอาจิวรนกับขื่นมาเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวต่อไปในสุดตะวินยัตติสิกขาบทที่หกความว่าพิกตุใดขอได้ทั้งหกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอง แต่คนที่ไม่ใชญาติไม่ใช่ปรณนาให้จัางหูกผู้ไม่ใชญาติไม่ใช่ปรณนาทอชีวอนด้วยในประโยช์ที่จัางหูกจัดอยู่นั้นให้เกิดอบัตทุกกฎครั้นทอแล้วกว้างยาวได้ปัดฉิมประมาณก็คือแปดนิ้วคณสี่นิ้วเนี่ยควรวิกับเนี่นะถ้านั้นเป็นนิสสกีต้องอบับดัตพาจิตตีส่วนข้อที่เจ็ดมหาเปสะการตาิขาบทที่เจ็ดความว่า กระหัตผู้ไม่ช่าติให้ช่างหูกทอจีวรเฉพาะถวายทิศตูใดคือเจาะจงทิศตุรูปใดทิกตุนั้นเขาไม่ได้ปรดมาไว้ก่อนและเข้าไปหาช่างหูกกำหนดว่าท้านี้เขาเฉพาะเราให้ท่านทอคือเจาะจงเราท่านจงทอให้ยาวให้กว้างให้แน่นทอให้ดีถึงให้ดีกรีดให้ดีหวีให้ดีถ้าชะไหนเราจะเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ท่าน เธอว่าดังนี้แล้วเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ช่างหูกโดยที่สุดแม้บินทบาทของกินถ้าช่างหูกนั้นเพิ่มได้ขึ้นทอให้กว้างยาวตามคำพิตุในประโยคช่างหูกจัดอยู่นั้นเป็นทุกกฎทอแล้วได้ผ้ามาผ้านั้นก็เป็นนิสักีต้องอบัตพาจิตตีส่วนข้อที่แปดในอเจกาจีเวระทิขาบทที่แปดความว่า อาเจกจีวรคือผ้ารีบผ้าดวนได้แก่คนผู้จะไปการสงครามหรือว่าคนผู้จะไปอยู่นานและคนไข้หนักและหญิงมีครรภ์และคนที่มีศรัทธาหรือความเรื่องใสม่เกิดขึ้นใหม่ถาวายผ้าจำนำภาษาแก่สงในวันขึ้นห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดถ้าเช่นนี้พิจูได้ส่วนมาแต่สงแล้วถ้าพิจูได้มาจากสงพึงจำหมายไว้ เพื่อว่าปรรหาขาดจะได้คืนให้แก่สงฝ่ายเพราะถ้าปัญสาขาดก็ไม่ได้ท้านี้ถ้าปัญหาไม่ขาดเก็บไว้จนสิ้นจีวรการไม่วิกรับอธิษฐานก็ได้ถ้าเก็บไว้ให้เกินจีวรการไปถ้านั้นก็เป็นนิสกีต้องอัปบาทป่าจิตตีจีวรการนั้นก็ตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงเทนเดือนสิบสองแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปถึงเทนเดือนสิบสองันนี้ไม่ได้ตรานกถิ่นเป็นเดือนหนึ่ง ถ้าได้กรัไกรถินไปก็ถึงเพนเดือนสี่เป็นห้าเดือนอันนี้ชื่อว่าชีวการสามารถที่จะเขียไปได้เป็นผ้าอเจกจุวรผ้ารีบดวนต่อไปสาสังกติขาบทที่เก้าความว่าเมื่อพร้อมด้วยองค์ีแล้วพระองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุฝากไตรจิวรไว้ในบ้านก็แลองค์ีนั้นคือภิกษุเข้าภูริมาพรรษาเข้าพรรษาต้นเข้าจำรรษาต้น ได้ปรณนาในวันมหาปรณนาเป็นองค์ที่หนึ่งตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดจนถึงเพลนเดือนสิบสองชื่อว่ากัตติกะมาเดือนหนึ่งเป็ลวลาเดือนหนึ่งของปราษาเนั่ยแหละนี้เป็นองค์ที่สองอารันยิกาเสนาสนะควรประมาณคือวัดต่เขตบ้านมาจนถึงเขตวัดได้ห้าร้อยชั่วธนูคือคิดเป็นยี่สิบห้าเส้นเป็นอย่างต่ำเป็นองค์ที่สามก็คือ ขนาดธนูของอาจารย์เนี่ยธนูหนึ่งหนึ่งวาก็สเมตรนะห้าร้อยธนูก็พันเมตรหนึ่งกิโลยี่สบห้าเซนเสนาสนะป่านั้นประกอบด้วยความรังเกียจคือในอารามหรือว่าอุปจาระแห่งอารามมีโอกาสที่อยู่ที่กินที่ยืนที่นั่งที่นอนแห่งโจรเห็นปรากฏอยู่และเป็นเสนาสนะประกอบด้วยภยัยคืออารามหรือว่าอุปจาระแห่งอารามโจรเข้ามาฆ่ามาปร้นมาทุบตีมนุษย์เห็นปรากฏอยู่ เสนาสนะประกอบด้วยความรังเกียจและภัยดังนี้เป็นองค์ที่สี่เมื่อพร้อมด้วยองค์สี่ดังนี้แล้วพิจุฝากไตรกีวรไว้ในบ้านโครจรคามโดยรอบอารามบ้านใดบ้านหนึ่งไว้ได้เดือนหนึ่งถ้านั้นไม่เป็นนิสสขีถ้าประกอบด้วยองค์สี่นี้ถ้ามีเหตุพิกษุออกจากอารันญิกเาเสนาสนะนั้นไปอื่นที่หมายตรงว่าอยู่ในอารามนั้นนะแจะถ้าไปที่อื่นเนี่ยเพิ่งอยู่แรมท่านั้นได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเธออยู่ปราจากผ้านั้นยิ่งกว่าหกคืนขึ้นไปเนี่ยไม่กลับมายังอารันยิกเสนาสนะหรือบ้านที่ไว้ผ้านั้นในภายในหกราตรีอรุณที่เจ็ดขึ้นมาผ้าที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นนิสสกีต้องอบัตตาจิตตีเว้นไว้แต่ทิฏฐิที่เป็นไข้ได้ส ม, มุติการอยู่ปราจากไตรชีวรเพราะฉะนั้นท่าอยู่ในวัดป่าอารันยิกเสนาสนะนานก็อยู่ปราจากผ้าได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพ่าะว่าไอ้สง อันสาแต่ว่าถ้ายิ่งกว่านั้นแล้วเนี่ยไปในที่อื่นแล้วไม่อยู่ในวัดนั้นก็อยู่ได้แค่หกราตรีเท่านั้นต่อไปสิกขาบทสุดท้ายปรินาตะสิกขาบทที่สิบความว่าพิสุรู้อยู่ว่าลาบคือปัจจัยทั้งสี่จีวันบินบาเจนนาสนะที่ดานะปัจจัยโดยที่สุดแม้ก้อนจุรนและไม้สีฟันและได้ ชิงเชิงทายกแม้เป็นสาธมิตทั้งห้าหรือว่าคทิดหัสจะตามแม้เป็นมารดาบิดาเขาน้อมไปแล้วแก่สงด้วยวาจาว่าเราจักถวายแก่สงเธอรู้อยู่ดังนี้และน้อมมาเพื่อตนในประโยคที่กล่าวน้อมมานั้นเป็นทุกกฎลาบนั้นได้มาถึงมือเป็นนิสกีต้องปาจิตตีถ้าลาบนั้นทายกถวายแก่สงแล้วไซเตี้ยกุถือเอาไม่ควรพึงคืนให้แก่สง ลากเขาน้อมไปแล้วแก่สงพิจิตตุสงสัยอยู่น้อมมาเพื่อตนประดีลากเขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งและน้อมไปแกสงหมู่อื่นหรือแก่เจดีก็ดีดังนี้ต้องทุกกฎถ้าน้อมไปแก่สงหมู่อื่นลากขอถวายแกสงหมู่หนึ่งแต่ว่าน้อมไปยังสงหมู่อื่นหรือว่าเจดีบุคคลว่าต้องบัตรทุกกฎลากขาน้อมไปแก่เจดีองค์หนึ่งแล้วพิกิุน้อมไปแก่เจดีอื่น หรือน้อมไปแก่สงแก่คณะแก่บุคคลก็ดีหรือว่าลาบเขาน้อมไปแก่บุคคลแล้วโดยที่สุดแม้แก่สุนัขตัวหนึ่งแล้วพิกตุน้อมมาแก่บุคคลแม้แก่สุนัขตัวอื่นหรือน้อมไปแก่สงแก่คณะแก่เจดีก็ดีหรือลาบเขายังไม่ได้น้อมไปพิกตุสําคัญว่าน้อมไปแล้วก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีและน้อมมาเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นเหล่านี้ต้องทุกข์กฎ ลากเขาน้อมไปแล้วพิสุจน์สำคัญว่ายังไม่ได้น้อมไปและน้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นก็ดีถ้าสำคัญว่าไม่ได้น้อมไปไม่จ อ, อบัตหรือว่าถ้ายกถามว่าครับเจ้าจะให้ในที่ไหนดีพิสูจกล่าวว่าทายรทของท่านจะพึงได้เป็นเครื่องบริโภคเป็นเครื่องบริหารและตั้งอยู่ได้นานในที่ใดก็ดีหรือจิตของท่านเลื่อมใสในที่ใดก็ดีท่านจงให้ในที่นั้นเถิด ราวดังนี้ก็ดีทิคจูบ้าเป็นต้นก็ดีลาวนี้ไม่เป็นอบัตสิกขาบทข้อนี้เป็นอนานติกะใช้ให้เขาน้องไม่เป็นน้อมเองถึงจะเป็นมีองค์สามก็คือลาบทายกน้อมไปแล้วในสองข้อนึงอันที่สองตู้แล้วน้อมมาเพื่อตนข้อี้สามก็ได้มาพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นนิสกีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนอจินนาทานสิกขาบทก็คือมีสมุทฐานสาม กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเกิดจากการทาเป็นกิริยานแล้วก็เป็นโลกวัชชะเป็นโลกวัชชะสจิตติกะเป็นสัญญาวิโมกเป็นปยกรรมวจีกรรมมีจิตสามรร ม, ม, รร ม, มีเวทนา3ามอันนี้ก็ท้าสมานจบตาติโยวโคจบวัคที่สามและจบนิสสกิยปาจิตตีด้วยจะขึ้นสุติกะปาจิตตีก็เอาไว้สอนในวันตรงขึ้นขอให้ท่านมีศรัทธามีปีติประโมดอบรมใจจิถ้า ก็ที่จะบรลุอริยสัจธรรมโดยอาศัยศีลเป็นฐานอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นบาทเบื้องกลางแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การอบรมวิปสัสสนาปัญญาขอย ใ, ใต้บรรลุอริยสัจโดยทั่วกันได้เชิญสาธุสาธุสาธุ